พระธรรมเทศนาแผ่นที่58ลำดับที่12โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่14ตุลาคม2556มีชื่อเรื่องว่าคิดพูดให้เป็นธรรมหลวงพ่อให้โอวาทผู้ที่จะสะบัก นายกอบตอนายกถึงเขาว่าเป็นนายกแปลว่าผู้นานาย ก, กนายกเป็นผู้นำของชุมชนเป็นผู้นำของประเทศเป็นผู้นำของกลุ่มถ้าจะจัดเป็นวักวกระวัวหันจ่าฝูงเออเป็นจ่าฝูงจะว่ายน้ําตรงไหนจึงจะปลอดภัยเนี่ยเขาบอกว่าวัวที่เป็นจ่าฝูงเนี่ยเวลามันจะว่ายน้ํา มันจะมองดูถ้าว่าตรงไหนมันไหลเชี่ยวนะมันไหลเชี่ยวนะวัวจา่าฝูงมันจะไม่ลงนะมันจะเรียบเดินเดินเดินไปหาตรงที่มันจะปลอดภยัยจา่าฝูงจะค่อยพาลอยน้ำข้ามไปฝากฝั่งนู้น เ, เวลาเวลามันจะข้ามฝากฝั่งตัวใหญ่จา่าฝูงจะต้องอยู่ข้างล่างให้ตัวเล็ก อยู่ข้างบนเพื่อให้อาศัยตัวจ่าฝูงหรืออาศัยตัวใหญ่ที่มีกำลังแอบเกาะเกาะตัวใหญ่ข้ามฝั่งฟากอันนั้นก็คือจ่าฝูงไม่ต้องโอบอ้อมอารีต่อผู้ที่น้อยกว่าน้อยกว่าที่เป็นลูกน้องบริวารของตนเองไม่ใช่ว่าจ่าฝูงมีแต่จะเอารัดเอาเปรียบกระโดดตามลงไปกับววไป ลูกน้องจะเป็นยังไงตามภาษีภาษาตามชะตากรรมมันก็ไม่ถูกเหมือนกันนะขนาดเป็นวัววัวจาาฝูงมันยังรักษาพวกพ้องของมันพวกเราเป็นมนุษย์ต้องดูแลปกป้องผลประโยชน์คนในท้องถิ่นช่วงนี้ข้าวราคาถูกมันสำปะหลังราคาถูกข้าวโพดราคาถูกถูกเพราะอะไร เพราะทำไมมันจิตติดอยู่ตรงไหนยางราคาถูกมันถูกเพราะอะไรจะต้องเดินหน้านำหน้าชักไซไล่เลียงว่ามันอยู่กับใครใครกินหัวขิวมากเกินไปหรือเปล่าจนทำให้ประชาชนเดือดร้อนอย่างนี้สิ่งเหล่านี้หัวหน้าจะต้องเดินนำคุยเกี่ยขุดค้นหาต้นตอ ว่าโลกทั้งโลกมันเป็นอย่างนี้ เ, เราจะไปขายแพงได้ยังไงโลกมันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องยอมรับก็ต้องมาชี้แจงให้พี่น้องประชาชนให้รับรู้รับทราบว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี้ได้ค้นคว้าไปแล้วอันนี้แหะคือผู้นำผู้นำต้องหาเหตุหาผลเหตุมันเป็นยังไงผลมันจะออกมาอย่างนี้มันมีผลอย่างนี้เป็นเหตุเพราะอะไร เพราะนั้นผู้แทนผู้แทนรัฐดอนก็ดีผู้แทนรัฐบาลก็ดีคือผู้แทนพี่น้องประชาชนนะฮะไม่ใช่ว่าผลรายได้ตัวเองกินหมดผลที่มันจะเสียหายพักมาให้พี่น้องประชาชนรับภาระแทนพอกินเสร็จแล้วตัวเองก็กระโดดออกหมดยุคหมดสมัยแล้วก็ขยะทั้งหลายก็ เป็นของประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปประเทศชาติบ้านเมืองก็รับหนี้รับสินต่อไปตัวตัวเองก็ได้รับประโยชน์ไปแล้วนี่อันนั้นแปลว่าเป็นนายกก็ดีเป็นผู้นำก็ดีจะเป็นใครก็ดีไม่ดีทั้งนั้นเป็นหัวหน้าวัดก็ไม่ดีหัวหน้าวัดก็เหมือนกันหัวหน้าวัดอย่างหลวงพ่อเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นหลวงพ่อต้องปกป้องดูแลลูกน้องบริวาร สารถูกสุก ด, ดิบยังไงเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงขาดเหลืออะไรภายในวัดของเราเราจะได้แนะนำสั่งสอนอย่างไรในทำหลักทมคำสอนที่เราจะให้กับลูกน้องที่เข้ามาศึกษาเนี่ยเต็มที่ได้ยังสิ่งเหล่านี้หัวหน้าก็ต้องได้คิดตระนักไว้ในใจตลอดเวลาเพราะว่าผู้ที่เข้ามา เกี่ยวข้องนะ่ก็คือลูกน้องบริวารมุ่งหวังอะไรมีเจตนาอะไรจึงได้มาฝากฝังชีวิตไว้กับวัดวาศาสนาอย่างนี้ก็เพราะว่าอยากจะได้ฝังศึกษาธรรมะปฏิบัติแต่เราให้ศึกษาปฏิบัตินั้นเพียงพอหรือยังขาดเหลือขาดตกอะไรอันนี้สิ่งเหล่านี้หลวงพ่อก็ต้องได้คิดแต่หลวงพ่อก็มั่นใจว่า สถานในวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนของหลวงตาอันนี้แหะคือปหลักประกาศธรรมถ้าใครอยากศึกษาธรรมคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาในยุคสมัยนี่ก็ว่าหลวงตานี่แหละเลิศประเสริฐที่สุดในบรรดาพระกรรมฐานตระกูลพระกรรมฐานวงการพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นคือธรรมเทศนาของหลวงตานี่แหละพูดตรงที่สุด นำไปประพฤติปฏิบัติได้เพราะนั้นเราก็มีสถานีวิทยุขึ้นมาที่วัดของเรากลางคืนฟังเลยตั้งแต่สองทุ่มถึงตี5อันนี้ก็คือจุดหนึ่งจากนั้นเราก็มีห้องสมุดตู้พระธรรมอีกจะศึกษาเรื่องพระไตรปิฎกระดับไหนจะต้องการพระบาลีหรือว่าเล่มไหนชุดไหนหรือว่านังสือ ทำมาเลกิตของครูบาอาจารย์ที่ท่านแปลออกมาเป็นภาษาเรียบร้อยแล้วอ่านเข้าใจง่ายไปค้นคว้าศึกษาดูอันนี้ก็คือการศึกษาในภาคปริยัติหลวงพ่อไม่ได้ปิดกั้นแต่สำหรับภาคปฏิบัตินั้นก็หลวงพ่อก็แนะนำบอกว่าการประพฤติปฏิบัติกับตนเองนั้นให้เข้มงวดขวดขันนะอย่าไปเออระเหยลอยลมไปเรื่อย เหมือนกับเราทำอะไรก็ตามถ้าทำด้วยความจริงจังและจริงใจทาด้วยความใส่ใจกับควาทำแบบเล่นๆมันต่างกันนะถ้าทำแบบเล่นๆได้เอามา ม, มันก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ถ้าว่าทำด้วยความจริงจังและจริงใจดูหลักเหตุผลสิ่งนั้นก็รู้สึกว่าจะเกิดประโยชน์แต่จะไปทำจริงจังและจริงใจแบบหัวชนฝาใช้ความโง่แล้วหัวชนฝาอันนั้นก็ไม่ถูกต้อง จริงจังและจริงใจประกอบด้วยขันติและปัญญามีสัจจะด้วยปัญญาด้วยใช้ความรอบคอบกันกรองไตรตองเหตุและผลถ้าพวกเราทําอย่างนั้นได้นะเลิดประเสริฐสิ่งไหนก็ตามจะประสบสําเร็จสมความมุ่งมา่นปรารถนาเป็นเพราะอะไรทําไม่เราควรจะเดินหมากอย่างไรควรจะทําตนอย่างไรควรจะแนะนําสั่งสอนอย่างไร ควรปฏิบัติในหลักธรรมศีลธรรมอย่างไรสิ่งเหล่านี้ต้องใช้ปัญญาดูเขาดูเราดูเสียงสิ่งแวดล้อมดูคนทั้งหลายดูดินฟ้าอากาศดูสูงดูต่ำดูไปหมดให้รอบข้างรอบด้านจากนั้นจึงค่อยเดินตามเหตุและผลนั้นๆในเมื่อเราคิดทำอย่างนี้ หลวงพ่อว่างานทุกสิ่งทุกอย่างก็คงจะสาเร็จรุล่วงไปได้แต่มีแต่ใช้แต่ความอยากอย่างเดียวใช้แต่ทิฐิมานะอย่างเดียวขาดปัญญาขาดความรอบครอบมันก็คงจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้เพราะนั้นขอให้พวกเรานะผู้ที่จะสมัครเป็นผู้แทนสมัครเป็นผู้นำของชุมชนก็ให้ ตั้งใจตั้งปณิธานในใจไว้อยู่เสมอเมื่อข้าพเจ้าได้เป็นผู้นําผู้แทนของเขาแล้วข้าพเจ้าจะนําชุมชนให้ดีที่สุดแต่ว่าผลประโยชน์ที่ข้าพเจ้าจะได้นั้นข้าพเจ้าคงต้องมีเพราะข้าพเจ้าก็สมัครเข้าไปกัเพื่อผลประโยชน์ของข้าพเจ้าส่วนหนึ่งแต่ก็เพื่อพี่น้องประชาชนอีกส่วนนึงแต่ก็ต้องแบ่งรับแบ่งสู้แบ่งกัน ควรจะเฉลี่ยกันยังไงไม่ใช่ว่าจะได้แต่เราอย่างเดียวผลประโยชน์ของชุมชนเสียหายมากเราเราจะไม่ทําอย่างนั้นแต่ถ้าว่าผลประชาชนพี่น้องได้มากจนเกินไปจนเราผู้นำไม่ได้อะไรเลยก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นสรุปแล้วก็คือให้เฉลือเผื่อแผ่ไปด้วยกันหลวงพ่อว่าน่แหละการบริหารตรง มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมองสูงมองต่ำมองเพื่อนมองฝูงมองเสียงรอบด้านถ้าพวกเราใช้สติใช้ปัญญาในการมองในการดําเนินชีวิตในการดําเนินกิจกรรมที่พวกเราได้รับมาได้รับความไว้วางใจของพี่น้องประชาชนเราจะพยายามทําให้ดีที่สุดถ้าเราคิดไว้ในใจอยู่เสมอ อย่างนั้นหลวงพ่อว่าคราวนี้ก็ได้คราวหน้าต่อไปก็คงจะได้อีกเพราะเหตุไรก็เพราะเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านน้ า, นายกทั้งหลายน้าผู้ทีมทีมนายกที่จะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนถ้าหากว่าปฏิบัติหรือว่าคิดอย่างที่หลวงพ่อคิดนี่นะพวกเราก็คงจะไปได้ดี ในการเป็นนายกของพวกเราแต่เร า, ามาเมื่อวานกันมาเห็นพวกไฟฟ้าเข้ามาตั้งเสาแต่หลวงพ่อเนี่ยให้เขาตั้งเสาไฟนะเพราะว่าครูบาท่านทำทาแบบคิดว่าจะไม่มีอะไรก็คงไม่มีอะไรที่ไหนได้ลิงมันขึ้นไปขยมขย่มเสาไฟเสาไฟนั่นก็เป็นเล็กแปลกแป๊บไเหล็กแป๊บปละ ป, ป, ปาหนาเพียงนิ้วครึ่งมันเล็ก ลิงขย่มเท่านั้นมันก็โกงไปโกงมาหลวงพ่อก็มาคิดอีกเลยเนี่ยสมภารหัวหน้าวัดเป็นยางน้นอ่ะเออไม่ได้ทวะ่าถํามันลิงขย่มไปเนี่ยพอหลักไฟหักหลักน้ำมันเป็นแป๊บนะเนี่ยอพอมันหักเข้าไปไฟมันอยู่ที่นั่นอีกนต่ไอนพี่น้องประชาชนนั่งรถมาโอ้ลิงขยม่มเสาไฟหลวงพ่อหักเดียไปลงไปจับงัดออกจากทาง พอไปจับเท่านั้นแะไฟซอดตายนะเด็กนี่เออพราะมันไฟอยู่ที่นั่นอันตรายนะลูกหลานนะหลวงพ่อคิดหนักนะตัวนี้นะควรจะเปลี่ยนเสาใหม่เนี่ยแหละกล็เลยขอร้องทางไฟฟ้าเขามาทำมาทาเสาให้เขากขามีมีจิตศรัทธาแซสดีมาทำให้ด้วยถวายด้วยเขารวมเงินกันซื้อให้ด้วยเพราะนั้นก็อย่างที่พวกเราเห็นเน่ะเสาไฟดูดีขึ้นมาทั้งรอบๆศาลา แต่สายมันฝังดินนะมีแต่หลอดไฟหลอดไฟคืนั่นนะ่ะโยมพัดขอนแก่นเนี่ยเอามาถวายบอดว่าก็พอเหมาะสว่างดีเมื่อคืนนี้หลวงพ่อเห็นแล้วแต่หลวงพ่อเห็นแล้วก็เห็นเสามันแล้วก็อึ้งถ้าวันไหนว่างๆนะอยากจะให้ครูบาเอาสีโอกคสีอะไรทาทาเสาสัากหน่อยก็ดีเหมือนกันนะให้มันเป็นป่ปาๆดูๆแล้วก็มัน มันหลอกๆอยู่เหมือนกันแะเพราะเราอยู่ในป่ามีเสาไฟขึ้นมาโพขึ้นมาถ้าเอาสีเม็ดผักขามทาซะเราให้มันปิดๆสักหน่อยเพื่อความเรียบร้อยให้มันเหมือนกับไม้ในป่าถ้าดูมันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็มันข้องขวางกันอยู่ดูแล้วก็ไม่ค่อยสบายตาเท่าไหร่ที่หลวงพ่อเห็นนะจนหลวงพ่อตาถั่วก็ไม่รู้ละแล้ว <h> ลก็พรรษาปีนี้ ออกวันเาวันที่19นะวันนี้เป็นวันที่14วันที่19ออกวรนเาถ้าเป็นไปได้หลวงพ่อว่าอยากจะให้พวกเราไปฉันข้างนอกนะบิณธบาตข้างนอกแล้วก็ฉันที่ศาลาใหญ่ประเดิมนีประเดิมทดลองดูว่าความพร้อมขนาดไหน เ, เวลาแขกคนพี่น้องประชาชนมามากขนาดไหนเราจะนั่งยังไง่แต่พระพุทธลูกเอาพระพุทธลูกอยู่ในวัดของเราเนะี่ยองค์ที่ ไปสงน้ำเมษานะั่นะไปนั่งแล้วก็ให้ทางในครัวจัดดอกไม้ตามมีตามเกิดนะแต่พอสมควรจัดใส่แท่นพระบูชาพระพุทธปฏิ ม, มาจากนั้นก็เราก็จะได้บิณฑ บ, บาตชั้นอยู่ข้างนอกเตรียมกระพงกรมังเสือศาสตร์ที่นั่งพักพิภพาอาศัยของพวกเรานั่นแหละออกไปข้างนอก ในเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดเราไปทดลองวันที่สิบเก้าดูแล้วอันไหนบ้างที่มันขาดเหลือขาดตกที่พวกเราจะได้เพิ่มเติมวันที่วันกระถิ่นพวกเราก็จะได้หาสิ่งที่เพิ่มเติมที่มันขาดตกบกพร่องถ้ามันพร้อมอยู่แล้วเต็มอยู่แล้วดีอยู่แล้วเออเอาขนาดนี้เพียงพอถ้าถ้าว่าเราเอาวันกรถินเป็นวันทดลองเลยแล้วก็เป็นวันประเดิมเลยทดลองเลย ของจริงเลยถ้ามันขาดเหลือขาดตกมาพวกเราก็คงจะเสียความรู้สึกเพราะนั้นหลวงพ่อเองอยากจะให้พว ก, พวกเราทดลองดูก่อนวันออกพรรษาเนี่ยเขคนคงจะมากอยู่พวกเราก็ไปใช้สารก่อนเรื่องจะมอบหรือจะถวายสารค่อยว่ากันทีหลังหลอกเรื่องนะมันเป็นเรื่องเล็กเมื่อเราสร้างขึ้นมาแล้วให้เราได้ใช้นาทีแรกจนนาทีสุดท้ายนะั่นแหะให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สดุด เราสร้างมาใช้เรามันได้สร้างมาเพื่อประดับอะไรบุญบารมีประดับวัดวาศาสนาอะไรเราเขียนว่ามันขาดตกบกพ่องให้ว่ามันไม่พอใช้เราสร้างขึ้นมาให้ได้ใช้ให้มันเพียงพอเนี่แหละหลวงพ่ออยากจะให้พวกเราช่วยกันคิดเนอะออกไปฉันข้างนอกแล้ววันที่ส9เกวันออกพรรษาบินเทบาต์เจ็ดนาฬิกาแล้วก็บอกให้บอก ทน้องประชาชนชาวบ้านด้วยบอกประกาศชาวบ้านด้วยบอกเออวันที่ออกพรรษาใส่บาตรนอกวัดเนอะท่านจะไม่ได้บินทบาทในบ้านเนอะเหมือนกับทุกครั้งนะ่ะดังนั้นพระสงฆ์ก็ไปบินทบาทจากนั้นก็จัดฉันอาหารข้างนอกดูแต่ถึงยังไงข้างในเนี่ก็ควรจะมีใครเป็นผู้เฝ้าดูแลก็ต้องมีอีกเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่ว่าจะลุมออกไปข้างนอกหมด พอมากลับเข้ามานี่ยมีแต่สล า, าว่างเปล่าเออมันก็ไม่ถูกนะพูดทางนี้ทางนั้นทางในครัวก็เหมือนกันก่อนที่จะออกจากครัวต้องอะไรคือความเรียบร้อยรู้ไหมเรียบร้อยคืออะไรเป็นผู้ใหญ่ด้วยการทุกคนแล้วความเรียบร้อยคืออะไรประตูครูประตูครัวจะเต็มเล่จะทําให้แล้วเนี่ยน่าจะใส่กุญรงกุญใจให้เรียบร้อยก่ อ, อนที่จะออกไป อ, อ สิ่งเหล่านี้อย่าให้ได้บอกกันถ้ามันมีขึ้นมาแล้วนะหลวงพ่อประนามอย่างเดียวนะงโง่หลวงพ่อจะบอกนะสมควรมันโงอ่อย่างเมื่อคืนก็เหมือนกันเมื่อคืนมีอาจารย์คนหนึ่งเป็นอาจารย์นี่นะอาจารย์ครูโรงเรียนเน่นะมาบอกว่าหลวงพ่อเขามาหาเขามาบอกกับเด็กชั้นว่ามีเพื่อนของเขาเขาบอกว่า เงินของหลวงพ่ออินนี่พอแล้วละ่ะทีเงินเจดีของหลวงตาพ่อหลวงพ่ออินเปิดบัญชีดูดเงินของชาวบ้านพี่น้องประชาชนเอาเงินไปหมุนจนพอแรงแล้วละ่ะแล้วก็มาทำท่าว่าจะมาเอาเงินมาช่วยเจดีหลวงตาที่แท้ตัวเองเปิดบัญชีดูดเงินพอแรงแล้วพูดให้ใครต่อใครฟังแต่เดี๋ยวนี้คนคนนั้นตายแล้ว ตายแบบกระทันหันอาเจตเป็นเลือดออกมาเลยตายตายเลยห ม, หมู่พวกเพื่อนก็เลยบอกว่าเออเพราะเขาพูดออกรุนแรงออกนอกตู้นอกทางหรือเปล่าอบอกขอกลับหลวงพ่ออินด้วยนะขอโทษด้วย เ, เขาอาจจะพูดไม่ถูกก็ไดเ้เรา เ, เราเปิดบัญชีก็จริงอยู่แต่เราเปิดขราวนั้นเราก็ปิดแต่เด้ แต่ที่หลงตาบอกให้ปิดแล้วก็ปิดแล้วเราไม่ได้เปิดให้ประชาชนโอนเข้ามานะเอาเปิดขึ้นมาก็ให้ลูกศิษย์ลูกหาของเราใครก็มีเสียสมบัติเสียต้มสี่ห้าหกคนนั่นเองโอนเงินเข้ามาเพื่อซื้อที่ดินสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลงตาวัดป่าบ้านตาแต่พอทวงติมาแล้วก็ปิดได้บัญชีนั้นแต่สู้เจ้าอยากจะเปิดก็เปิดสิเปิดเขาจะโอนเข้ามาไหม ทำไมมันไม่มองตัวเองก่อนที่จะโอนเข้ามาก็ต้องมีความหมายแต่อันนี้ของเรามันเป็นเรื่องของเราไม่ควรจะมาจุ่มจ้าอวุ่นวายกับเรื่องของเราเรื่องของเราคือเรื่องของเราหลวงพ่อวันนะั้นที่ตายไปแล้วนะแต่หลวงพ่อให้อภยัยหลวงพ่อไม่ถือโทษโกรธเืองกับใครหรอกหลวงพ่อให้ใหอภยัยเพราะนั้นบอกเขานะ หลวงพ่อไม่ทือโทษโกรธเคืองใครหรอกความจริงอยู่ยังไงมันก็อยู่อย่างงั้นแหละเรื่องยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นเรื่องของจริงยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเนี่แหละหลวงพ่อมีมากหลากหลายจริงๆนะลูกหลานนะอนัตตาญาติโยรนะอหลวงพ่อมีอะไรพอที่จะพูดให้ลูกหลานได้ฟังได้ศึกษาเป็นแนวความคิดเนี่ยแกรนอิจฉาพยาบาทอาฆาตคนอื่นเขาหาเรื่องใส่คนอื่นเขา เขาได้รับความลำบากขนาดไหนตัวเองพูดออกไปแล้วเอาขี้พ่นใส่เขาแล้วตัวเองเขานะ่พูดแล้วก็จบไปแต่มันผลมันออกไปนะมันเสียหายเสียหายมากขนาดไหนเพราะนั้นจิ่งเหล่านี้นสำรวมกายก็คือการกระทำวาจาคือคำพูดใจคือความคิดไปในทางที่ถูกต้องคิดเป็นทำพูดเป็นทำทำเป็นธรรม นั่นแหละเพลิดประเสริฐเป็นธรรมคืออะไรคือไม่ผิดอยู่ในหลักเหตุผลถูกต้องคิดไปในทางที่ถูกต้องทําในทางที่ถูกต้องพูดในทางที่ถูกต้องคําว่าถูกต้องคํานี้คืออะไรคืออยู่ในหลักเหตุผลออย่าไปเบียดเบียนจะไปรังแกอย่าไปดูถูกเหยียดติยำผู้อื่นกนไปถ้าดูถูกเหกียดติยำคนอื่นก็ดูถูกมันผิดจริงๆเออมันเป็นจริงจริงอย่างนั้นใช่ไหม เออตัวเองชั่วแล้วจะให้คนอื่นว่าดียังไงเราก็ต้องว่าเนี่ยมันชั่วนะเป็นยางไงเอ่อเราก็ต้องบอกว่ามันชั่วนะเป็นยางไงเออแล้วคิดดูที่มันชั่วไหมถ้าตัวเองคิดว่าก็เออใช่ชั่วือชั่วแล้วจะว่าตัวเองดีได้อย่างไรนี่แหละเหตุผลมันอยู่จุดนั้นอนรับพรนะนโมทนาให้คน